บทที่ 45, ส5เศรษฐีขอทานทันทีที่ขหาบดีจอดรถตรงหน้าประตูกรหัตหลังงามนายสนชัยก็จอดห่างจากรถเขาราวหนึ่งคืบจึงถูกท่านพระครูอบรมบ่มนิสัยอีกวาระหนึ่งเดี๋ยวได้ชนท้ายรถเบนเข้าเข้ารอก ประมาทอยู่เรื่อยเลยนะเธอไม่รู้หรือว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายมือชั้นนี้แล้วชนก็เสียชื่อแย่สิครับผมจอดห่างตั้งคืบหนึ่งถ้าห่างนิ้วหนึ่งหลวงพ่อคิดว่าคนขับรถเถียงไม่ลดละเมื่อคนรับใช้ออกมาเปิดประตูรั้วให้เจ้านายข้าบดีก็ขับรถนําหน้าในสมชายเข้าไปจอดในบ้าน จากนั้นจึงลงมานิมนต์ท่านพระครูเข้าไปในห้องรับแขกสั่งภรรยาให้หาน้ำร้อนน้ำชามาถวายภิกษุอคันตุกะขหัหบดีชวนท่านพระครูคุยเรื่องธุรกิจของตนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตัวกระทั่งมีเงินฝากธนาคารหลายร้อยล้านยี่สิบห้านาทีผ่านไปก็มีชายหญิงคู่หนึ่งอายุราวห้าสิบเข้ามาขอพบขหาหบดี ฝ่ายชายกราบท่านพระครูแล้วจึงไหว้เจ้าของบ้านและภรยาฝ่ายหญิงทําตามจากนั้นบุรุษวัยห้าสิบจึงเอ่ยขึ้นว่าผมกับภรรยามาจากจังหวัดบุรีรัมอยากจะมาขอยืมเงินท่านซักห้าร้อยเป็นค่ารถกลับบ้านและผมจะส่งมาคืนได้โปรดกรุณาผมด้วยท่านพระครูกำหนดเห็นหนอ ก็รู้ว่าบุรุษผู้นี้เป็นเศรษฐีตกยากหาใช่คนจรนมอนห ม, นมินแต่อย่างได้ไม่อะไรกันใครปล่อยให้ขอทานสองคนนี้เข้ามาในบ้านปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงข้าบดีโวยวายเสียงดังด้วยรู้สึกอับอายขายหน้าผมไม่ได้เป็นขอทานครับเพียงแต่ผมอยากจะมาขอยืมเงินคือผมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ และถูกล้วงกระเป๋าไปหมดจึงไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านบุรุษผู้เป็นอคันตุกะอธิบายว่าไม่ให้ยืมที่นี่ไม่ตอนรับขอทานออกไปเดี๋ยวนี้เขาลุกขึ้นไล่อคันตุกะทั้งสองภรยาของเขาก็ออกปากไล่เหมือนเขาไม่ใช่คนท่านพระครูรู้สึกสลดใจที่คนเป็นขะหบดีช่างแลกน้ำใจ และไร้ความปราณีเมื่อถูกไล่เสรษฐีจึงชวนภรรยาลุกออกไปพลางหันหลังมามองท่านพระครูตาละห้อยภิษุวัยห้าสิบเศษล้วงลงไปในย่ามได้เงินมาหนึ่งพันจึงกวักมือเรียกนายสมชายเข้ามาหาแล้วสั่งว่าเอาเงินนี่ไปให้สองคนนั้นอย่าให้เจ้าของบ้านเห็นนะครับหลวงพ่อ นายสมชายรับเงินแล้วก็เดินตามสองผัวเมียออกไปเมื่อสวนทางกับขะหะ บ, บดีเขาเพียงแต่ยิ้มแทนคำตอบเมื่อถูกถามว่าออกไปไหนคลั้นรับตาเจ้าของบ้านจึงเร่งฝีเท้าจนเดินไปทันคนทั้งสองลุงครับหยุดก่อนเขาเรียกบุรุษวัยห้าสิบบุรุษนั้นหยุดเดินแล้วถามเขาว่ามีอะไรหรอครับหลวงพ่อท่านฝากเงินมาให้ครับ พูดพลางส่งธนบัตรใบละร้อยจำนวนสิบใบให้หลวงพ่อท่านช่างใจดีเหลือเกินผมจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยท่านชื่ออะไรอยู่วัดไหนครับนายสมชายจึงบอกชื่อท่านพระครูพร้อมชื่อวัดเขารีบจดใส่กระดาษไว้แล้วจึงกล่าวลาพร้อมขอบใจในสมชายรู้สึกซาบซึ้งถึงกลับน้ําตาไหลเมื่อนายสมชายกลับเข้ามา ท่านพระครูจึงเอ่ยลาเจ้าของบ้านท่านไม่อยากพบไม่อยากเห็นคนใจร้ายใจดำเช่นข้าบดีผู้นี้ดูเถิดบ้านช่องออกใหญ่โตราวกับวังแต่เจ้าของบ้านช่างไร้น้ําใจไล่คนที่มาขอความช่วยเหลือมันกับเขาไม่ใช่คนท่านนึกถึงเศรษฐีบุญช่วยที่ชอบไล่ขอทานท้งอยังสอนลูกสอนหลานให้ทำเช่นนั้น ในที่สุดตัวเขาก็ต้องไปเกิดเป็นขอทานแล้วถูกลูกหลานไล่ออกมากระทั่งต้องไปนอนตายอย่างไร้ญาติขาดมิดอยู่ที่พระพุทธบาทข้าะบดีผู้นี้เห็นทีจะต้องไปเกิดเป็นขอทานเช่นในบุญช่วยเป็นแน่แท้ทำไมาหลวงพ่อรีบกลับแล้วครับผมยังไม่ได้คุยจุใจเลยข้าบดีทักท้วงเขาอยากให้ท่าน บอกวิธีจะทำให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นอาตมามีงานรออยู่ที่วัดต้องรีบกลับโอกาสหน้าผมข อ, อนิมน์หลวงพ่อมาคุยใหม่นะครับอาตมาคงไม่มีเวลามาอีกเพราะที่วัดมีงานมากท่านปฏิเสธด้วยไม่คิดจะมาอีกเจ้าของบ้านใจจืดใจดำเช่นนี้ท่านไม่ปรารถนาจะคบหาสมาคม คราวหน้าผมจะนิมนต์ท่านมาฉันเพนด้วยจะสั่งหูฉลามมาเลี้ยงข้าบดีคิดว่าที่ท่านปฏิเสธเพราะเขาไม่ได้ถวายเพนคำพูดของข้าบดีเท่ากับเป็นการดูถูกบรรพชิตท่านพระครูจึงไม่ได้พูดว่าอะไรท่านลุกขึ้นแล้วก็เดินตามในสมชายออกไปขึ้นรถคลั้นลับหลังท่านก้าบดีจึงพูดกับภรรยาว่า โท่เอ้ยเป็นแค่พระบัณฑนอกยังทำยิงเราอุตส่าห์ออกปากเลี้ยงหูฉลามยังทำเฉยแบบนี้จ้างให้ก็ไม่เลี้ยงให้เสียเงินไว้เราเชิญท่านเจ้าคุณมาเลี้ยงก็ได้อัวรู้จักท่านเจ้าคุณหลายองค์ใช่เลี้ยงท่านเจ้าคุณยังได้บุญมากกว่าภรรยาเ้าเออ อ, อ, อหอ่หมกด้วย ่อนคิดว่าบุญอยู่ที่การได้เลี้ยงพระที่มียศศักดิ์ใหญ่โตออกจากบ้านขาหบดีมาแล้วใายสมชายจึงย้ําท่านพระครูว่าทําไมหลวงพ่อรีบกลับจังนานๆจะได้เข้าบ้านเศรษฐีน่าจะนั่งนานๆ เพื่อกลับไปจะได้เป็นเศรษฐีกับเข้าบ้างถ้าเป็นเศรษฐีแล้วแรลงน้ำใจอย่างนี้ฉันขอเป็นยาจกดีกว่าเธอจำไว้เลยนะว่าฉันจะไม่ขอมาเยียบบ้านหลังนี้อีกฉันไม่ชอบคนไร้เมตตาเกิดเขาบอกว่าจะถวายสิบล้านหลวงพ่อจะมาไหมครับต่อให้เขาบอกจะถวายร้อยล้านฉันก็ไม่มา และสองผัวเมียนั่นว่าอย่างไรบ้างท่านถามถึงเศรษฐีตกยากที่บากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากข้าบดีคงจะทราบซึ่งมากถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลหลวงพ่อใจดีจังให้ขอทานทีละตั้งพันถ้าฉันมีหมื่นฉันก็จะให้เขาทั้งหมื่นแต่เสียใจที่มีอยู่แค่นั้น พวกญาติโยมเขาหย่อนใส่ญ้ามาคนละร้อยสองตอนที่ฉันเดินมาขึ้นรถต่อไปญาติโยมเขาจะพากันกลายเพศเป็นเศรษฐีเพราะได้ทําบุญกับเศรษฐีท่านพูดเพราะรู้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นนี่หลวงพ่อประกาศตนเป็นเศรษฐีแล้วหรือครับแล้วไม่ผิดพระวินัยหรือนายสมชายออกสงสยัย ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเศรษฐีในที่นี้ไม่ใช่ชันแต่หมายถึงสองผัวเมียนั่นเขาเป็นเศรษฐีตกยากถ้าว่าอีกไม่นานเขาก็จะฟื้นตัวแล้วก็จะร่ารวยยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาเป็นคนมีความกระตัญยูกระตะเวทีแล้วเขาจะมาตอบแทนหลวงพ่อไหมครับเขาถามผมด้วยว่าหลวงพ่อชื่ออะไรอยู่วัดไหน พอผมบอกเขาก็จดใส่กระดาษไว้เขาคงจะส่งมาใช้คืนหลวงพ่อนะครับฉันให้ไปแล้วก็ไม่วางจะได้คืนแต่ถ้าเขาจะทำอย่างนั้นก็เป็นบุญของเขาเองหลวงพ่อสดท่านสอนไว้ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อย ท่านสอนไว้ตั้งแต่ปี2493ฉันก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนตลอดมาหลวงพ่อจำแม่นจังเลยนะครับท่านสอนไว้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดกระทั่งผมแก่หลวงพ่อก็ยังไม่ลืมยอมรับแลวรู้ว่าแก่เห็นคุยนักคุยหนาหว่าตัวเองหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวท่านพระครูได้โอกาสจะขม่มสิกคนกุติ ยึดพระพุทธวจนะว่าพึงข่มคนที่ควรข่มที่ผมยอมรับว่าแก่ก็เพราะอยู่กับคนแก่ต่างหากเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องเหลิวตาตามไม่ใช่หรอกครับเธอว่าฉันแกหรือหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่แกหรอครับแล้วเธอรู้ไม่ว่าทําไมฉันถึงจะต้องแก เพราะหลวงพ่อเป็นหนุ่มมานานแล้วส่วนผมถึงจะแก่ก็ยังหนุ่มกว่าหลวงพ่อเพราะผมเพิ่งจะเป็นหนุ่มได้ไม่นานมานี้เมื่อเป็นหนุ่มที่หลังก็ต้องแก่ที่หลังแต่คงไม่ตายที่หลังหลวงพ่ออย่าแช่งผมสิครับผมเกิดที่หลังก็ต้องตายที่หลังผมไม่กล้าแซงคิวหลวงพ่อเพราะไม่อยากเสียมารยาท แต่งงานนี้เธอเสียมารยาทแน่ฉันมองหน้าเธอแล้วเธอต้องตายก่อนอายุห้าสิบตายด้วยอุบัติเหตุรถควม่มเพราะดื่มสุราแล้วก็ขับรถโดยความประมาทนายสมชายได้ฟังก็ใจฝ่อจึงถามท่านว่ามีทางแก้ไขไหมครับมีเว้นเต่วเธอไม่ยอมแก้ต้องทำอย่างไรครับ เลิกเดิมสุลาแล้วก็มาเข่ากรรมฐานสิบห้าวันหลวงพ่อพูดในสิ่งที่ผมทำได้ยากถูกแล้วความดีนั้นทำยากสำหรับคนชั่วพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนไว้วสุกะลังสาธุนาสาทุงสาธุปาเปนะทุกะลังแปลว่าความดีคนดีทำได้ง่าย ความดีคนชั่วทำได้ยากในเมื่อเธออยากเป็นคนชั่วก็ตามใจเอาละไหนๆก็พูดแล้วฉันอยากจะบอกเธอว่าคนที่ดีได้นั้นต้องละชั่วเสียก่อนท่านพูดยังไม่ทันจบนายสมชายก็พูดขึ้นด้วยความขัดเคืองว่าผมชั่วยังไงผมรับใช้หลวงพ่ อ, อยางซื่อสัตย์หลวงพ่ อ, อยังมาว่าผมชั่วอีก ท่านพระครูตอบเสียงเรียบว่าข้อนั้นเป็นความดีของเธอแต่ความชั่วทิศเธอจะต้องละก็คือการดื่มสุราเธอมาขับรถให้ฉันผู้เป็นบรรพชิตบรรพชิตก็มีหน้าที่สอนให้คนมีศีลธรรมแต่เธอกลับไม่ทำในสิ่งที่ฉันสอนคิดดูเธอว่าคนอื่นเขาจะตำหนิฉันหรือไม่ พวกที่เขาจ่องจะเล่นงานฉันก็มีอยู่เธอเองก็รู้พวกเขาพากันพูดว่าฉันสอนแต่คนอื่นแต่ไม่สอนคนไกลชิดลองคิดดูว่าฉันจะเสียหรือเปล่าที่หลวงพ่อพูดมาก็เพราะห่วงชื่อเสียงของหลวงพ่อเท่านั้นเองไม่ได้ห่วงยายอะไรอววรผมแต่ประการใดพูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจ ฉันไม่ได้ห่วงชื่อเสียงตัวเองที่พูดก็เพราะต้องการให้เธอแก้ไขข้อบกพร่องให้ตัวเองถ้าเธอเป็นคนดีก็ต้องแก้ไขฉันขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าเธอไม่เลิกดื่มสุราเธอตายก่อนอายุห้าสิบแน่นอนแล้วลูกสาวเธอจะกำพรพ้าพ่อเมียเธอจะตกพุ่มไม้แต่เมียเธอไม่น่าห่วงเท่าไร เพราะไม่นานเขาก็จะมีเมียใหม่หลวงพ่อแก่จะหลงแล้วกระมังถึงได้พูดผิดๆถูกๆพูดออกมาได้ว่าเมียผมจะมีเมียใหม่มีผัวใหม่ครับนายสมชายรู้สึกผ่อนคลายเพราะไม่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านพระครูพูดจะเป็นความจริงไปได้มีอย่างที่ไหนผู้หญิงจะมีเมียช่างไร้สาระเซนิกระไ หากต้องตกใจเมื่อท่านพูดขัดขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วฉันก็ไม่ได้พูดผิดเธอคอยดูต่อไปก็แล้วกันในอนาคตผู้ชายจะนิยมมีผัวผู้หญิงก็จะมีเมียในวัดฉันก็มีคนประเภทนี้ต่อไปเจ้าคุณทองกับเจ้าสมชาติก็ จะมีผัวส่วนเมียเธอก็จะมีเมียเพียงแต่ว่าเธอจะตายเสียก่อนที่จะไม่ได้เห็นเมียเธอมีเมียส่วนเจ้าขุนทองกับเจ้าสมชาติเธอได้เห็นมันเป็นผัวเมียแน่ใจที่ผ่อนคลายกลับกลายเป็นเคร่งเครียดอีกครั้งเมื่อฟังท่านพระครูพูดจากที่ไม่เชื่อในตอนแรกก็จำใจต้องเชื่อ เพราะเขาคิดในใจท่านยังรู้ผมจะพยายามเลิกเล่าส่วนเข้ากรรมฐานค่อยว่ากันทีหลังเขาบอกท่านพระครูแล้วไม่ได้พูดอะไรอีกเมื่อกลับถึงวัดพระมหาบุญก็รายงานว่ามีครูใหญ่โรงเรียนปถมศึกษามาเข้ากรรมฐานหกสิห้าคนครับเขาบอกว่า ได้มีหนังสือมาแจ้งหลวงพ่อแล้วจริงสิผมลืมไปแล้วท่านก็ให้เขาขึ้นกรรมาฐานหรือยังยังครับผมอยากให้หลวงพ่อกลับมาก่อนท่าทางพวกเขาอยากขึ้นกับหลวงพ่อมากกว่าผมเพียงแต่ประถมนิเทศและสอนวิธีเดินวิธีนั่งให้เดี๋ยวหลวงพ่อสงน้ำแล้วก็ไปให้กรรมาฐานพวกเขาเลย หรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับให้วันนี้ดีกว่าตอนนี้พวกเขากำลังทำอะไรผมให้พักดื่มน้ำปานะครับเห็นรถหลวงพ่อมาผมก็เลยมาเรียนถามเอาละ่ะเดี๋ยวผมจะตามไปขอสงน้ำก่อนแล้วบาทหลวงที่มาจากราชบุรีเป็นอย่างไรบ้างตั้งใจปฏิบัติดีมากครับ แต่ผมไม่ทราบว่าเขาขึ้นกรรมาฐานหรือยังยังไม่ได้ขึ้นท่านช่วยบอกเจ้ากุนตองให้ไปตามมาขึ้นพร้อมกับคณะครูใหญ่ก็แล้วกันจะได้ปฏิบัติไปด้วยกันเลยสั่งเสร็จจึงขึ้นไปยังกุติชั้นบนเพื่อเตรียมลงมาส่งน้ำที่กุติชั้นล่างสิบนาทีให้หลังสมภารวัดป่ามะม่วงก็ส่งน้ำ และครองผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเดินไปยังหอประชุมเจริญชยัยเพื่อให้กรรมาฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อท่านนั่งอย่างอัศนะเรียบร้อยแล้วพระมหาบุญจึงบอกให้คณะผู้ปฏิบัติทำความเคารพด้วยเบญจางคปดิ์พร้อมเพียงกันแล้วพิธีสมาทานกรรมาฐานก็เริ่มขึ้นโดยตัวแทนของผู้ปฏิบัติธรรม ถวายสักการะคือทูปเทียนแพรและพานดอกไม้แด่ท่านพระครูซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและผู้ปฏิบัติทรรมกล่าวคำอารัธนาอัตถศีลคือสีแปดพร้อมกันว่ามะยังพันเตติสระเนนสหะอัตถศีลานิยาจามะ ทุติยามปิมยังพันเตติสารเนะสหอัถฐศีลานิยาจามะตะติยามปิมยังพันเตติสารเนะสหอัถฐศีลานิยาจามะแล้วท่านพระครูก็ให้ศีลพร้อมไตราสารนาคมจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็มอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรยัยด้วยการเปลงวาจาว่า อิมาหังพักวาอัตตะพระวังตุมหากังปลิจจะชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์ว่าอิมาหังอาจะริยะ อตตะภาวังตุมหากลงปริจจชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอพระกรรมฐานว่านิพานัตสเมพันเตสัจิกระระนัฏฐายะกรรมฐานนางเทหิ ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานต่อไปแผ่เมตตาให้ตนเองว่าอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าถึงสุขปราศ จ, จากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ว่าสพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนตลอดเท พ, พบุตรเทพธิดาทุกพระองค์พระภิกษุสมนเณะและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอท่านจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อน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 ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรยัยและครูบาอาจารย์ว่าเยเนวยันตินิพพานังพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกได้ดำเนินไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางเส้นทางนี้ขขาพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตน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 ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่มรรคผลนิพพานนี้ส่วนสัจจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเทินลำดับสุดท้ายผู้ปฏิบัติธรรมสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพร้อมกันแล้วเป็นอันเสร็จพิธีขอกรรมฐาน สมภารวัดป่ามะม่วงอยากทราบว่าผู้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะมีผู้ใดได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างจึงตรวจสอบด้วยเห็นหนอแล้วท่านก็ได้เห็นว่าบาทหลวงที่มาจากราชบุรีมีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนบรรดาครูใหญ่ทั้งห5สห้าคนยังไม่มีใครได้ เพราะยังไม่ถึงเวลาเป็นอย่างไรบ้างที่พักพออยู่ได้หรือเปล่าอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านขอให้อดทนนะแล้วก็จะได้พบของดีท่านพูดกับครูใหญ่คนที่ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีขอพระกรรมฐานพออยู่ได้ครับเขาตอบท่านพระครูจึงพูดอีกว่า หากมีอะไรขาดตกบกพร่องอาตมาก็ต้องขออภัยด้วยขอให้โยมตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะโยมมาสร้างความดีก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอาตมามักสอนญาติโยมเสมอว่าการสร้างความดีต้องลงทุนด้วยความลำบากถ้าสร้างความชั่วไม่ต้องลงทุนกินสบายนอนสบาย แต่หารู้ไม่ว่ากำลังชั่วโดยไม่รู้ตัวเอาละขอให้โยมจงเดินจงกลมสามสิบนาทีนั่งอีกสามสิบนาทีพระมหาบุญสอนการเดินการนั่งให้แล้วใช่ไหมสอนแล้วครับแต่บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจคนเป็นประธานตอบตัวเขาเองก็รวมอยู่ในบางคนด้วยเช่นกัน ถ้าเช่นนั้นอาตมาจะช่วยทบทวนให้เอาละขอให้ทุกคนทำตามอาตมาจะเดินให้ดูท่านสาธิตการเดินจงกรมระยะที่หนึ่งแก่คณะผู้ปฏิบัติธรรมจนพวกเขาสามารถเดินเป็นและคนที่เดินได้สวยเป็นพิเศษก็คือบาทหลวงที่มาจากราชบุรีหลังจากเดินครบสาสบนาทีแล้ว ท่านพระครูจึงสอนการนั่งพร้อมอธิบายว่าเมื่อเดินจงกรมเสร็จก็กําหนดนั่งโดยให้สติต่อเนื่องกับการเดินไม่ใช่ว่าเดินเสร็จแล้วจะทําอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมานั่งเช่นไปเข้าห้องสุขาหรือไปดื่มน้ำถ้าทาเช่นนั้นจะทําให้สติไม่ต่อเนื่อง ท่านอธิบายจนผู้ปฏิบัติเข้าใจแล้วจึงให้นั่งเป็นเวลาสาสิบนาทีจากนั้นจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลก่อนแยกย้ายกันกลับที่พักครูใหญ่คนหนึ่งเรียนถามว่าหลวงพ่อครับอุบาสกที่ชื่อทองหยดชาลาทานพักอยู่กุฏิไหนครับท่านพระครูคิดว่าเขาคงรู้จักกับในห้างทองหยดจึงถามว่า ยมรู้จักเขาหรือรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งรู้จักเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองครับเขามาช่วยเสิร์ฟน้ำร้อนน้ำชาตอนพักดื่มน้ำปานนะท่านพระครูเห็นเป็นเรื่องแปลกเพราะในห้างทองหยดตายไปสามปีแล้วคุณนายพานพบยังมาสร้างสาราสวดพระพิธรรมศพไว้เป็นที่ระลึกเขาไม่ได้บอกหรือว่าพักอยู่ที่กุฏิไหน ไม่ได้บอกครับบอกแต่ว่าอยู่ที่ศาลาสวดศพที่นั่นมีกุฏิด้วยหละครับท่านพระครูคิดว่าหากท่านบอกความจริงพวกเขาคงไม่เป็นอันได้พักผ่อนหลับนอนกันจึงพูดตัดบทว่าพรุ่งนี้ให้โยมเดินทางไปดูก็แล้วกันศาลาสวดศพอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำโนนท่านชี้มือไปที่ศาลาสวดพระอภิธรรม